ขอคำแนะนำทำใจที่เคยถูกคมขืนถามเคยถูกคมขืนโดนทำร้ายทั้งร่างกายและเอาทรัพย์สินไปไม่สามารถลืมได้แม้ผ่านมานานช่วงหนึ่งแล้วขอคำแนะนำดีๆที่จะทำให้สบายใจหน่อย ตอบหลังๆผมมักได้รับคำถามที่ยากจะตอบให้รู้สึกดีเพราะคำปลอบมักไม่ได้ผลสำหรับคนที่ประสบพบเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายจริงๆโดยเฉพาะกับเพศหญิงซึ่งควรได้รับการทนุถนอมแต่ขณะเดียวกันก็เป็นฝ่ายถูกกระทำได้ง่ายโดยคนอายยากเตือนยากเปลี่ยนสันดานยากจำนวนหนึ่งในกรณีของคุณที่กล่าวว่า เหตุการณ์ผ่านมานานช่วงหนึ่งแล้วทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดหนเดียวทีเดียวและคุณไม่คิดต่อความยาวสาวความยืดทางคดีความแก้แค้นทางกฎหมายหรือกดหมู่ซึ่งก็นับว่าน่าเห็นใจมากครับไม่ว่าจะตอบโต้อย่างไรฝ่ายหญิงดูจะต้องถูกกระทำให้อับอายหนักขึ้นเสมอทั้งในแง่ของการตรวจร่างกาย และทั้งแง่ของคาให้การบรรยายรายละเอียดต่อพนักงานสอบสวนและเรื่องแย่ๆ แ, แบบนี้การปลอบกันด้วยหลักกรรมวิบากอาจยิ่งทำให้รู้สึกย่ำแย่หนักขึ้นเพราะเอาภาพเหตุการณ์จริงในอดีตชาติมาฉายกันไม่ได้ว่าใครเคยทำอะไรมากันบ้างฉะนั้นจึงควรเรียนรู้หลักวิธีการทำใจกันอย่างตรงไปตรงมา น่านจะดีที่สุดครับเวลาเนึกย้อนไปถึงอดีตที่เลวร้ายแล้วกโกรธแค้นเขาแน่นอกพอคิดสาปแช่งเขาให้หนำใจสุดฤทธิ์สุดเดชจะแผดเสียงอยู่ในรถหรือพรุษโซวาดอยู่ในใจก็ตามลองสังเกตว่ามีอะไรดีบ้างนับเริ่มจากทําความรู้สึกไปที่แก้วตาตัวเองทําความรู้สึกไปที่แก้วเสียงหรือกระแสความคิดตัวเอง เห็นให้ชัดว่าอากุศลธรรมปรุงแต่งเราให้มืดได้ประมาณนี้ที่ตรงนั้นขอให้ตระหนักดีๆว่านี่แหละที่เรียกว่าการทำร้ายตัวเองโดนคนอื่นทำร้ายไม่พอมาขังตัวเองทำร้ายตัวเองในคุกมืดต่ออีกยิ่งคิดถึงเขาในทางมืดยิ่งสาบแช่งเขาให้หมกไหม ตัวเราเองกลับถูกความมืดครอบและเดือดร้อนก่อนใครถ้าขาดใจตายไปด้วยดวงจิตที่ยังมืดบอดและร้อนรุ่มเหมือนอย่างนี้ก็ยากที่จะไปดีกับใครได้และถ้าต้องไปร้ายก็แปลว่าคุณไม่ยุติธรรมกับตัวเองเลยครับที่ได้รับความเจ็บปวดจากน้ำมือคนอื่นและยังส่งตัวเองลงต่ำซ้ำเติมเข้าให้อีกคนอื่น ทำได้แค่ให้ร่างกายคุณเกิดแผลแต่มีคณคนเดียวที่ทาให้จิตวิญญาณตัวเองบาดเจ็บเกินเยียวยาหลังจากเห็นโทษภัยของความผูกใจเจ็บชัดเจนตรงนั้นให้ลองสลับไปนึกเมตตาตัวเองมองตามจริงว่าวิธีเดียวที่จะเมตตาตัวเองได้ก็คือสลักความคิดอาฆาตแค้นทิ้งไปซะ หากให้อภัยได้แม้เพียงวูบเดียวให้ลองทำความรู้สึกเข้ามาที่ในตาทำความรู้สึกเข้ามาที่กลางอกแล้วเห็นให้ชัดว่าแสนสบายอย่างไรมีระดับความเยือกเย็นเกิดขึ้นแค่ไหนหรือกระทั่งเกิดแสงสว่างสวัยเพียงใดนั่นแหละครับตระหนักเข้าไปเดี๋ยวนั้นว่านี่คือจุดเริ่มต้นของใบหน้าที่เป็นสุขและอาจฉุกคิดว่า ทำไมคุณต้องเป็นเจ้าของใบหน้าที่เป็นทุกข์ด้วยในเมื่อต้นเรื่องไม่ใช่คุณคุณไม่ได้ทาผิดคิดร้ายกับใครถ้าเจ้าคิดเจ้าแค้นประสาโลกธรรมดาฟังดูอาจเป็นเรื่องบ้าที่ยอมยกโทษกันง่ายๆแต่ถ้าช่างคิดช่างเลือกอย่างฉลาดสรรประโยชน์มาสู่ตนการยกโทษคือทางออกเดียวให้กับความทุกข์ ความแค้นเสียดแน่นกับวันคือนที่ศกปรกจะไม่จบง่ายๆด้วยการทำใจครั้งเดียวคุณต้องถูกเสียดแทงด้วยความทรงจำแต่หุนหลังอีกเป็นร้อยเป็นพันครั้งและทุกครั้งที่เห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างผูกใจเจ็บกับให้อภัยเป็นทานในเวลาไล่ๆกันคุณจะเห็นตัวเองฉลาดทางจิตมากขึ้นเรื่อยๆและจิตที่ฉลาดจะปล่อยวางภาวะไม่ดี แล้วหันมารักษาภาวะดีๆแทนเสมอธรรมชาติให้ความยุติธรรมด้วยวิธีที่เหมือนไม่ยุติธรรมนักเราจำเป็นต้องมีธรรมะอันเป็นเครื่องยุติทุกข์หายหรือคลายลงนั่นแหละครับความยุติธรรมที่แท้จริงจากจิตของเราเองพวกเรากําลังก้มหน้าก้มตาดุ่มเดินบนเส้นทางวิบากอันกันดาร ถ้าไม่รู้จักกฎและการทำงานของกรรมวิบากอย่างน้อยขอให้รู้จักกฎและการทำงานของจิตตัวเองเถอะและจะพบความจริงอันเป็นที่สุดนั่นคือไม่ว่าเรื่องราวจะร้ายแรงเพียงใดทุกเป็นสิ่งดับได้และหลังจากดับจริงด้วยปัญญาสิ่งที่เหลือคือความสุขสงบอันประนีตคุณจะไม่รู้จักสุขชนิดนั้น ด้วยความอาฆาตและการแก้แค้นเป็นอันขาด